ควรมองนักปราดผู้คอยชี้ข้อบกพร่อง คอยแนะนำพร่ำสอนว่าเป็นดุจผู้ชี้บอกขุมทรัพย์ให้ควรคบบัณฑิตชนคนเช่นนั้นไว้เพราะเมื่อคบนักปราชญ์มีแต่ดีไม่มีเสื่อมพุทธภาษิต วันนี้มีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างเหน็ดเหนื่อยไหมง่วงนอนไหมหรือมีความเบื่อหน่ายอะไรก็เราลองสำรวจดูที่กายทิตใจของเราโดยเฉพาะที่ร่างกายเราตอนนี้นหะมันเป็นชีวิตที่เป็นปัจจุบันแท้ๆเรารู้สึกอย่างไรเราได้พักผ่อนมาทั้งคืน เราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันสดชื่นหรือมันยังปวดยังเมื่อยยังเหน็ดเหนื่อยอยู่อันนี้ก็ไม่เป็นไรเรื่องของร่างกายเนี่ยเราพักผ่อนก็พอจะหายจากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าไปแล้วนี่ส่วนจิตใจเนี่ยสคัญมากใจสําคัญกว่าร่างกายกายในเวลามันเหน็ดเหนื่อย เราพักเราหยุดมันก็าหายใจก็เช่นเดียวกันถ้าเราหยุดคิดทําจิตให้สงบเมื่ว่างจิตมันก็ไม่เหนื่อยเรามีกายมีใจความเหน็ดเหนื่อยก็มีเหนื่อยที่กายกับเหนื่อยที่ใจเนี่ยเหนื่อยใจเกิดจากความคิดเกิดจากอารมณ์ที่มาปรุงแต่งจิตใจของเราเราก็อย่าปล่อยให้จิตใจเรา ต้องคิดตะเลิดไปในอารมณ์ต่างๆต้องฝึกมีสติรู้เท่าทันจิตใจเราไว้โดยเฉพาะความคิดเนี่ยมันมีหลายอย่างที่มาปรุงแต่งจิตใจเราเราอาจจะคิดเรื่องครอบครัวเรื่องเศษรษฐกิจในครอบครัวเรื่องญาติพี่น้องเรื่องหน้าที่การงานสารพัด ที่เรามักจะคิดปรุงแต่งไปเรื่องบางอย่างเนี่ยมันจะจบลงได้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราคิดอย่างเดียวหรอกคิดแล้วเราต้องมีการกระทำด้วยและเรื่องบางอย่างเนี่ยบางทีจะทำตอนนี้ก็ไม่ได้ต้องรอเวลาสักหน่อย เราจะคิดปรุงแต่งวิตกกังวลไปต่างๆนานาก็จะไม่มีประโยชน์อะไรในตอนนี้ต้องปล่อยให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เรื่องเรื่องในอนาคตเนี่ยเราจะเพิ่งไปคิดวิตกกังวลล่วงหน้าบางทีพอถึงในตอนนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะแค่ไขปัญหาได้เลยก็ได้แต่สาหรับในเวลานี้เนี่ยถ้าเราคิดอะไรไม่ออกหรือมันวุ่นวายมันฟุ้งซ่านเนี่ย เราลองตั้งสติก่อนเดีย๋ยวเพิ่งคิดในตอนนี้มันคิดไม่ออกหรือมันวุ่นวายก็จะเพิ่งคิดในตอนนี้รอรอเวลาสักหน่อยเอาให้จบรายการนี้ก็คิดก็ได้เนี่ยเราจะพักจิตชั่วคราว<ม>คือเราลองไม่เจตนาคิดดูก่อนสร้างเงินไขายไม่เจตนาคิดเพราะถือว่าเราคิดมากสติมันก็ไม่เกิดที่เขาเรียกว่าอะไร คิดมากสติน้อยแต่ถ้าคิดน้อยสติมันมากแต่ถ้าไม่คิดเนี่ยจิตมันก็จะว่างๆก็จะสบายๆความคิดเนี่ยถ้าเราไม่ไปปรุงแต่งต่อเติมเนี่ยเขาจะไม่ยาวก็จะจบลงง่ายๆแต่ที่สำคัญนะเวลามันเกิดความคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าไปห้าม อย่าไปกดเอาไว้ให้เรามีสติรู้เท่าทันอันนี้เป็นการดูจิตแหละเป็นการดูจิตมีสติรู้ทันในความคิดการมีสติรู้ความคิดเนี่ยอย่าไปรู้ที่เรื่องราวของเขาถ้าเราไปรู้เรื่องราวของเขาเนี่ยมันก็จะช่วยกันปรุงแต่งสนุกสนานไปเลยยาวเนี่และจบลงได้ยาก เรารู้ที่อาการของจิตรู้ว่ามันคิดก็อาจจบแล้ะพอมันเริ่มต้นก่อเรื่องราวมาก็พอรู้ทันนึงก็จบแล้วถ้าเรารู้เป็นนะเรื่องมันก็จะสั้นแล้วก็จะเกิดดับเกิดดับความคิดก็จะเกิดขึ้นพอมีสติรู้ ป, ปั๊บดับปุ๊บทันทีมันตัดทันทีเลยถ้าเรามีสติรู้ทันอันนี้เป็นการดูอาการของจิต แต่ถ้าเราดูบ่อยๆรู้ความคิดบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความชำนาญแต่การดูความคิดเนี่ยเราอย่าไปเพ่งไปจ้องหรือไปดูเขาตรงๆเราต้องสังเกตแบบชำเลืองชำเลืองแบบแอบดูอะแอบดูอาการของเขาเราจะเห็นความคิดได้ชัดเจนแล้วเขาก็จะดับไป จำเรื่องรู้สักหน่อยรู้เบาๆอย่าไปเพ่งเขาพอเรารู้ความคิดนานๆเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์นะมันจะเกิดความชํานาญคนที่เกิดความชํานาญในการดูความคิดเนี่ยจะมีอาการอย่างนี้คือเห็นความคิดส่วนหนึ่งแล้วก็ผู้รู้ในความคิด เห็นเนี่ยก็ทั้งผู้รู้ในความคิดแล้วก็ทั้งผู้คิดเนี่ยมันแยกกันหละเนี่ยเท่ากับเป็นการแยกจิตออกจากอารมณ์ออกจากความคิดจิตผู้รู้เนี่ยมันจะรู้เฉยๆส่วนความคิด่มันจะปรุงแต่งสารพัดเห็นไหมสองสภาว่าเนี่มันต่างกันแล้วความคิดก็ปรุงแต่งไป แต่จิตผู้รู้เนี่ยรู้เฉยๆและความคิดก็จะเกิดดับเกิดดับการดูตัวผู้รู้เนี่ยคือการดูจิตการเอาสติมาดูจิตหรือเอาจิตมาดูจิตก็ได้อันนี้แหละคือการดูจิตล้วนๆที่ไม่ใช่อาการของจิตคือความคิดมนอย่างกับที่ว่าเรามีสติรู้อยู่ในรู้คือมีสติดูตัวผู้รู้ ถ้าเราดูตัวผู้รู้ได้แล้วก็ปลอดภัยแล้วปลอดภัยจากความคิดแล้วเป็นการแยกจิตออกจากอารมณ์ออกจากความคิด แ, แต่ถ้าเราเผลอเผลอสติดูตัวผู้รู้ไม่ได้มันเกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเราขาดสติเราเข้าไปอยู่ในความคิดตอนนี้ล่ะอันตรายละที่เรียกว่าพลัดหลงเข้าไปในความคิดเวลามันคิดดี เราก็ดีด้วยเนว่าความคิดดีๆเรามักจะเผลอได้ง่ายเราชอบเวลาคิดไม่ดีแล้วก็ไม่ดีไปด้วยเขาเรียกว่าอะไรมันเกิดดับเกิดดับพอคิดไม่ดีเราก็เกิดในความไม่ดีถ้าเรายึดมั่นถือมั่นนะเราก็ตกนรกอยู่ในเมืองคนถ้าเราคิดดีเราไปยึดติดในความคิดมาเป็นเราเนี่ยเราก็เกิดในสวรรค์นะมีความสุขเนี่ยกิดในสวรรค์ แต่ถ้ามันไม่คิดอะไรว่างๆอยู่ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นไว้ความว่าเป็นตัวเราเนี่ยอันนี้เราก็เกิดเป็นพรมแล้วนะถ้ามันไม่มีคิดอะไรเย็นอกเย็นใจรู้สึกตัวดูอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นภาวะของนิพพานง่ายๆนิพพานชิมลองเนี่ยเย็นอกเย็นใจรู้ตัวอยู่ยคิดดีไปสวรรค์คิดร้ายไปนรก นี่คือการมีสติดูที่ความคิดของเราชีวิตเราเนี่ยมันเกิดดับตามความคิดนั่นแหละชีวิตที่เกิดดับตามความคิดเนี่ยมันเกิดวัละหลายหลายครั้งทีเดียวชีวิตและอัตภาพเนี่ยขึ้นอยู่กับความคิดขณะหนึ่งขณะหนึ่งที่ในภาษาอภิธรรมเขาเรียกว่าอะไรจิตดวงหนึ่งจิตคิดหนึ่งครั้งเราก็เกิดละ ถ้าจิตมันดับเราก็ดับไปชีวิตอัตภาพเนี่ยขึ้น อ, อยู่กับจิตคิดหนึ่งครั้งแต่ถ้าเรามีสติเฝ้าดูอยู่รู้อยู่เนี่ยไม่คข้าอยู่ในความคิดเนี่ยเราก็ไม่เกิดพ้นเกิดพ้นจากความคิดเท่ากับเป็นการพ้นเกิดเพรานั่งการเจริญสติเนี่ยนอกจากดูอาการของจิตแล้วอย่างเช่นเวทนา ความสุขความทุกข์หรืออดีตอนาคตหรือความคิดเนี่ยอันนี้คืออาการของจิตเราก็สามารถที่จะดูจิตล้วนๆได้คือดูตัวผู้รู้รู้อยู่ในรูนะ้อันนี้คือปัจจุบันเราดูได้เลยในปัจจุบันถ้ามีสติรู้ตัวอยู่กับผู้รู้เนี่ยมันก็จะปลอดภัยแต่ถ้าเรายังถึงภาะวะที่ ดูตัวผู้รู้ไม่ได้ล้วก็ไม่เป็นไรเราก็ลองมาฝึกสติให้มากๆฝึกสติรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวของกายดูกายให้ชนานาญดูให้เป็นมืออาชีพเลยให้ชนานาญให้เป็นมืออาชีพในการดูกายแล้วต่อไปก็จะเป็นอุบายให้เราเห็นจิตพอเราชนานาญดูกายแล้วเราก็จะดูจิตได้อย่างสบายสบาย มันเกิดบรนดับแล้วก็รู้เท่าทันพอเราดูจิตได้เนี่ยมันก็จะพ้นออกมาจากอารมณ์ของกิเลสที่มันมาจากความคิดความโลภความโกรธความหลงอันนี้หละคือมานกิเลสความโลภความโกรธความหลงเนี่ยคือมานมันทำใจใเราเป็นทุกข์เพราะนั้นเราฝึกสติบ่อยๆดูกายจนชำนาญแล้วก็มาดูจิตตามดูจิตบ่อยๆเนี่ยก็จะพ้นจากบ่วงของมาน